ความจริงถ้าใช้ปัญญาสักเล็กน้อยที่พระสารีบุตรและพระมุคลาาฟังว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระผู้ได้เจ้าทรงตัดเหตุของทมนั้นและความดับเหตุของทมนั้นสมเด็จประมหาสมณตรัดอย่างนี้ท่านฟังเพียงเท่านี้ท่านได้ก็ได้สมเด็จพระโสดาบัน แ้วต่อมาพระ ม, มคคัลลาฟังทายกรรมาฐานสี่จบท่านเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรฟังเวทนานุปสนามหาปฏิปทานจบท่านก็เป็นพระอรหันต์เป็นอันว่าความรู้ที่บรรดาทนาหลายได้ศึกษามาทุกอย่างทุกข้อ ผมเคยได้บอกไว้แล้วว่ากรรมฐ า, านที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงสอนในกรรมฐ า, านสี่สิบก็ดีในมหาปฏิปทานนั้นสก็ดีถ้าท่านจับบทใดบทหนึ่งโดยเฉพาะพราะกรรมฐ า, านไม่ต้องทั้งสี่สิบเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม หรือมหาปฏิปทานน้าสุดไม่จำเป็นต้องทั้งหมดข้อใดข้อหนึ่งก็ตามเพราะในนั้นมีทั้งสมถะและวิปัสนาครบอยู่แล้วถ้าท่านทำเข้าถึงจริงๆท่านก็เป็นอรหันตุกอง์วันนี้เมื่อฟังธรรมของท่านแน่สองเราก็ลงมาทำของท่านแน่สองที่ฟังจากพระพุทธเจ้ามาพิจรารณา ที่พระมหาโมคลาฟังธาตุสี่แล้วฟังกันยังไงในพระบาลีทิงกล่าวว่าสุดสูดสังและปติปัญญาการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานี่สนแสดงว่าเขาเวลาเขาฟังกันน่ะเขาฟังแล้วเขาก็คิดใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณา ท่านมีปัญญามากบวชขามาจิตวันก็เป็นอาหาหันแล้วก็อีกองค์หนึ่งคือริสารีบวชสิบห้าวันเป็นอาหาหันแต่สำหรับท่านที่มีปัญญาน้อยคือบริวารฟังเทศจบเดียวก็เป็นอาหาหันใครควรตอนนี้ดีนะก็รับ หรือว่าเราบวดกันบวชเพื่อหวังคำว่านิพานัสสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังกะหติตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งถึ่งนิพพานนี่สาหรับกำลังใจของท่านที่ยังเข้าไม่ถึงนี่ผมเห็นใจ แต่ขอได้โปรดยลละความพยายามการตัดและตัดเป็นจุดๆวันนี้ก็อย่าขอพูดถึงฐานธาตุสี่ที่พระมหาโมคลานะท่านฟังแล้วก็เป็นอรหันต์วิธีฟังนั้นไม่สำคัญฟังก็คือใช้หูฟัง แต่ว่าการฟังที่ใช้หูฟังเฉยๆนะั้นมันไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะฟังใช้แต่สัญญาเป็นความจำจำว่าธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุมธาตุไฟแล้วก็ธาตุสี่เข้ามาประชุมกันโชคราวต่อไปก็มีความเสื่อมแล้วก็มีการสลายตัว แล้วก็จำได้เท่านี้อย่างนี้เรียกว่าสัญญาจึงไม่มีการบรรลุมรรคผลแต่ว่าสำหรับท่านอังหลายที่ฟังทมจากองค์สมเด็จพระทศพลท่านคิดตามว่าธาตุสี่มันไม่ใช่อยู่ทีข้างนอกธาตุสี่ธาตุดินไม่ใช่อยู่ที่แผ่นดิน ธาตุน้ำไม่ใช่อยู่ในแม่น้ำลำคลองและในทะเลในมหาสมุทรธาตุ <c oughs> าไฟไม่ใช่ไฟในเตาหรือไฟที่ตะเกียงธาตุลมไม่ใช่ลมพัดในอากาศนี่หมายถึงว่าร่างกายของเราเนี่มันประ ก, กอบไปได้วยธาตุสี่ของที่มีสภาพแข็งเช่นน้งเลือกระดูกอย่างนี้เรียกว่าธาตุี เสเลน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองปัสสาวะน้ำเหงื่อน้ำใครอย่างนี้เรียกว่าธาตุน้ําในการพัดไปมาในร่างกายมีลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายเรียกว่าธาตุไฟในร่างกายของเราเจะทรงหยุดได้ก็เพราะว่าธาตุสี่มันมีความสามัคคีกัน ถ้าธาตุทั้งสี่นี่มันยังมีกำลังสมเสมรูกันเสียงใดร่างกายของเราก็เป็นร่างกายที่ปกติมีความสมบูรณ์เปล่งปลัง่งไม่ได้ผิวพรรณวันลนะกำลังวางชาก็ดีแต่ว่าธาตุสีนี่ถ้าปราศ จ, จากความสามคัคคีกันขึ้นมามาอะไรธ <c oughs> าตุน้ำลถยอนอลงไปร่างกายก็สุดโสม ที่หมอเวลารักษาเขาต้องให้น้ำเกลือช่วยหรือว่าให้เลือดช่วยเพราะว่าธาตุน้มันสุโสูมันหย่อนลงไปร่างกายจึงหมดกําลังกลายเป็นร่างกายที่มีโรค้ <c oughs> าตธาตุดินมันหย่อนหมายควาว่าอาหารที่เรากินเป็นคำข้าวหรืออาหารที่เป็นก้อนกินเข้าไป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 อย่างนี้ร่างกายก็มีโรคภัยกำลังก็ตกไป <c oughs> ถ้าธาตุลมในร่างกายไม่สะดวกในการพัดไปมาก็ทำให้ร่างกายของเราถอยกำลังลงที่เรียกว่าปอดทำงานไม่เต็มที่หายใจไม่สะดวกหายใจไม่เต็มที่อย่างนี้ร่างกายก็สุดสม เป็นอนว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ <c oughs> มันมีสภาพทรงตัวชั่วคราวมันไม่มีสภาพทรงตัวถาวรตลอดกาลตลอดสมัยถ้าเราเห็นว่าร่างกายเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟที่มันประกอบเข้ามาเป็นร่างกายดูเท่านั้น แล้วก็ธาตุดินนี่มีสภาพเสื่อมเมื่อเสื่อมลงเสื่อมลงในที่สุดมันก็สลายตัวหังถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นท่าสมถะและวิปัสสนาเห็ว่าธาตุดินมัน น, นร่างกายมีธาตุสีเข้ามาไปชมกันนี่เป็นสมถะภาวนา แล้วก็รู้ว่าการไปชมกันของมันไม่ใช่ไปชมถาวร <c oughs> มันเป็นการไปชมกันชั่วคราวมันสามัคคีกันชั่วคราวเท่านั้นต่อไปไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่มันก็คลายความสามคัคคีความเข้มแข็งของท่านด่งไ่อย่อยหย่อนลงไปความอิ่มเอิบของท่านน้ำย่อหย่อนลงไป ความอบอุ่นของธาตุไฟย่อนลงไปความไหวไปมาของธาตุลมในการย่อหย่อนลงไปย่อนลงไปเท่าไรเราก็แก่มากขึ้นมาเท่านั้นที่เราเห็นว่าสภาพของร่างกายสุดโสมนี้นแสดงว่าธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันมีสภาพไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็น ในเมื่อเปอร์เซ็นต์มันลดลงไปเท่าไร่ความสุดทรงของร่างกายก็มีมากเท่านั้นไม่ดีสุดธาตุใดธาตุหนึ่งหมดสภาพถ้าธาตุดินหมดสภาพอาหารที่เข้าไปปนเปื้อ น, นในร่างกายไม่มีประโยชน์กับร่างกายการเคลื่อนไหวของวัยวะภายในที่เรียกว่าตับไตไส้ปอด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 เนื่องว่าธาตุน้ําหย่อนลงไปยังท้องร่วงหนักหนักหรือว่าคนที่เป็นโรคอะฮิวาธาตุน้ําน้อยถอยลงไปความร้อนมันก็เกิดเพราะอะไรธาตุน้ํามันต้องทนเดี๋ยวพเด็ดพอดีก็ธาตุไฟมันยังจะมีความอุ่นพอสมควรถ้าธาตุน้ําน้อยลงไปธาตุไฟมันก็มีกําลังสูง ความจริงกำลังมันเท่านั้นแต่ความร้อนมันก็สูงเพราะไม่มีธาตุนานมปนเครื่องต่อต้านจะเห็นว่าคนที่เป็นโรคท้องรว่วงมีความร้อนภายในมากนี่เป็นอย่างนี้งหาว่าธาตุไฟมันน้อยป่าน้อยไปธาตุดินสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุน้ําสมบูรณ์ ธาตุไปย่อยหย่อนลงไปจับร่างกายที่ไหนก็จะไม่ได้ความเย็นชื่น อ, อย่างนี้ก็เป็นโรคลุกไม่ไหวเหมือนกันกำลังกายมันก็สิ้นมันก็เสื่อมถ้าธาตุลมย่อยหย่อนลงไปให้ใจไม่สนดวกให้ใจไม่ทั่วท้องที่เรียกว่าอย่างนั้นความคล่องขั้ลมให้ใจไม่มีรักษาแท้ร่างกายมันก็รวนไปหมดความอ่อนเปรี้ยของร่างกายก็ปรากฏขึ้น นี่พิจารณาแบบนี้เป็นพิจารณาการพิจารณาทั้งสมถะและวิปัสสนาร่วมกันเราก็ต้องล่างคิดต่อไปว่าร่างกายที่ประกอบด้วย ธ, ธาตุสี่นี้มันทรงสภาพตลอดกาลตลอดสมัยไหม <c oughs> เราดูตัวเราอาจจะไม่เห็นดูคนดีเขาแก่กว่าเรา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 เป็นทั้งธาตุสี่แล้วก็มรณาโนสติกกรรมฐานเป็นสมถะภาวนาแล้วก็ล่วงต่อไปว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุสีน่นี้ที่เรารักใคร่ปรารถนาว่าเป็นเราเป็นของเราบางดีเห็นคนก็มีผิวพันณร่างกายอิ่มเอิบมีความรักมีปรารถนามีความใคร่อยากจะได้เป็นคู่ครอง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 เขาจะทรงสภาพตามนั้นอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไหมมันก็เป็นไปไม่ได้เรื่อ ว, ว่าคนก่อนมีสภาพชั้นใดคนที่หลังก็มีสภาพชันนั้นนี่จะเห็นได้ว่าร่างกายนี่มันไม่ทรงตัวเมื่อร่างกายไม่ทรงตัวเราก็พิจารณาต่อไปว่าธาตุสี่ที่ป ร, ประกอบด้วยอาการสามทิศสอง ในร่างกายนี้มีสภาพสะอาด่ว่าสกรปรกหันไปดูจาระปัสวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มีอยู่ในร่างกาย <c oughs> จะเห็นว่ามันสกรปรกสิ้นดี <c oughs> เป็นที่รังเกียจของเราตัวนี้สำคัญมากท่านทั้งหลายมันเป็นการทำลายราคะความรักให้พินาศไปจากจิต เป็นอารมณ์ที่จะเข้าถึงพระนนาคามีถ้าพิจ า, ารณาเร่งางกายนี้มีสภาพปฎิาการสามสิบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตไส้ปลอดเป็นต้นอย่างนี้เป็นการพิจารณาธาตุสี่ด้วยแล้วก็เป็นการพิจารณาการสามสิบสองไปในตัวแต่เห็นว่ามันสกปรกจะชื่อว่ามีอสุปกรรมฐานประกอบ ถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นการตัดราคะความรักทิมรายกฎในจิตแต่ว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามิติสอนกับพระโมคกัลามุ่งจะพระวิปัสสนา ญ, ญาณเป็นสำคัญพระองค์สมเด็จพระพระุทธวันทรงแนะนำว่าเมื่อร่างกายรประกอบไปด้วยธารรรรตุาสี่ธาตุสี่นี้มันเป็นเราจริงๆหรือ มันเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าหนื่อว่าเรามีในท่าสี่ท่าสี่มีในเรานั่งพิจารณาดูว่าทาสี่เป็นเราเป็นของเราจริงหรือว่าเราเป็นท่าสี่ทาสี่เป็นเราจริงคำว่าเรามีความปรารถนาไหมที่จะให้ไม่แก่ มีใครเคยนั่งภาวนาพิจร า, าครณาไข้ควรบนบานสัง่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนก็ตามและเทพเจ้าที่ไหนก็ตามบางเจ้าประคุณค่อยร่างกายชิ้นแก่เร็วๆเถอะอย่างนี้มีบ้างไหมหรือว่าภาวนาไปว่าจะประคุณหรยค่อยร่างกายของเรามีโครคไัยไข้เจ็บตามหลักๆ มันจะได้ไม่ต้องทำงานกับเขาอย่างนี้มีบ้างไหมหรือว่าบนบานสัง่าวหาผู้วิเศษมาเสกให้ร่างกายของเรานี้มันตายไวๆความปรารถนาอย่างนี้มีใครบ้างในโลกนอกจากคนที่มีความทุกข์เข้ามาบีบคั้นจริงๆหรือว่าตายหนีหนี้ตายเพราะโกรธคนรัก ตายไปท่วงในชีวิตเขาบคนอื่นไปท่วงความคิดเห็นของบุนคคลอื่นนี่เป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคนที่มีสัญญาวิปลาส ด, ด้วยคนที่มีสติสมชัญญาสมบูรณ์เนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่ระบรรดาท่านางหลาย อสมเด็จพระจอมไตรถ้าเราพิจารณามาอย่างนี้นะสมเด็จพระเจ้าศรีสอนทั้งสมถะและภาวนาร่วมกันเห็นว่าร่างกายเป็นในเพียงธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนี่เป็นสมถะภาวนาในเรื่องของธาตุสี่เห็นว่าธาตุสี่มีอาการสามสิบสองไม่ใช่เป็นแท่งทิพย์ นี่เป็นการพิจรารณาการสามิบสองในร่างกายที่เรียกจำว่ากายยกตานนสติเห็นว่าธาตุสีเต็มไปด้ยวยความสุกกรกเบโสมมมนี่เป็นนาสุกกรรมฐานเห็นว่าธาตุสีในที่สุดมันก็จะต้องตายเป็นมรณานุสติกรรมฐานเห็นว่าธาตุสีนี่มันมีอาการไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติ ถ้าจิตเราเข้าไปเกาะว่ามันเป็นเราเป็นพวกเราก็เป็นทุกข์ในที่สุดมันก็ต้องสลายตัวที่ดวงตาไม่เป็นสิ่งที่เราควรจะยึดจะถือมันว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เป็นมิปัญนายาณเราก็ว่ากาันทีเดียวหลายๆอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโมคลา แต่เห็นว่าธาตุสีทั้งหมดนี้เป็นของเป็นเธอพระโมกัคลายก็ทรงตอบทูนต่อก็ไม่ใช่พระเจ้าค่าเือถ้าว่าธาตุสี่มีในเธอเธอมีในธาตุสี่ท่านก็ตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะในเมื่อธาตุสีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือเราไม่มีในธาตุสี่ธาตุสี่ไม่มีในเราเราควรจะยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปหรือ ก็เต่าโมกัลาก็กล่าบทูลว่าไม่ใช่พิจาค่ะยิ่งกล่าวว่าโมกันลาน่ะถ้าอย่างนั้นเธอจงวางคันภาระในท่าสีนี้เสียจงคิดจว่าท่าสีนี้เป็นแต่เพียงรือน่างที่เราอาศัยชั่วคราวเท่านั้นท่าสีนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา ถ้ามันเป็นเราจริงมันก็ต้องไม่แก่เพราะเราไม่อยากให้มันแก่ถ้าสีนี่เป็นเราเป็นควกเราจริงมันก็ไม่ต้องไม่ป่วยที่เราไม่เพราะเราไม่อยากให้มันป่วยถ้าสี่ถ้าเป็นเราเป็นพวกเราจริงเ้าก็ต้องดึงไว้ได้ที่มันจะต้องไม่ตายเพราะเราไม่ต้องการให้มันตายไม่ตายโมคลรนะเธอเห็นแล้วหรือยังว่าะ้าสีนี่มันไม่ใช่เรา พระมคคัลลานกระทูลตอบว่าเห็นแล้วพระเจ้าข่ะเมื่อเห็นแล้วเธอมีความรู้สึกว่าอย่างไรพระมคลลานะโอกราบทูลองสมเด็จพระจอมไตรว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าธาตุสีนี้เป็นสภาพเรือจ้างสาหรับที่ขี่ไปเพื่อข้ามมหาสมุทรนั้น เมื่อบุคคลใดข้ามเรือจ้างและเรือลําใหญ่เรือลาเล็กก็ตามทีที่เต็มด้วยความสขปรกสมมที่มีความกรรมเก่าข้ามค่าลงไปทุกวันเมื่อขึ้นมาหาสมุดฝันนอนได้แล้วตามความประสงค์ก็ไม่มีบุคคลใดที่จะมีความห่วงใยในเรือลํานั้นชั้นใดเวลานี้จิตใจของข้าพระพุทธเจ้าก็มีความรู้สึกอย่างนั้น ว่าธาตุสีนี่มีสภาพผนผานะสำหรับก้าวไปข้ามฟังคือโอคะได้แก่กิเลส <c oughs> ที่ดึงจิตใจข้าพระพุทธเจ้าให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะงสารเพราะจิตใจของคนนั้นถ้ายังมีความหลงอยู่ในความโลกอยากจะสะสมทรัพย์สินว่ามันเป็นเราเป็นของเรา <c oughs> ยังมีความหลงในรูปโฉมนมพันว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นข้อเรายังผูกพันในความโกรธความพยา บ, บามบัตยังมีความหลงไหลฝ่ายฝันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะส่งตัวอย่างนี้ก็มีอุเบมาเหมือนกับคนที่กําลังแหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรในที่สุดก็จะถูกสัตว์ร้ายในน้า กินให้สิ้นวายปล่าไปชั้นใดก็ <c oughs> เหมือนกับจิตใจของบุคคลทั้งหลายที่กําลังคิดอยู่ว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องกับเราเที่เนื่องกับเราเป็นของเราได้เห็นว่าทรัพย์สินทั้งหลายในโลกมันเป็นเราเป็นของเราเรากับมันจะไม่จากกัน ถ้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ า, ข, าข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่อันเป็นร่างกายที่จิตใจเกาะอยู่ก็ดีร่างกายของคนอาศัยก็ดีรึกว่าทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็ดีทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่เราจะยึดถือเป็นสาระเป็นที่พึ่งได้ <c oughs> เมื่อถึงการถึงสมัยมันก็ต้องสลายตัวไป ถ้ามันไม่สลายก่อนเราก็สลายก่อนถ้าพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจิตใจของ้าพระพุทธเจ้าเบาแล้วพระพุทธเจ้าคายเมื่อพระมหาโมคลาการาภทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าง น, นี้สมเด็จพระมหาโมนีจึงได้ทรงตรัสว่าโมคลานะ กิตในที่เึิงเพือเธอมีความปรารถนาไว้ว่าเธอต้องการแดนอมตะื อ, อความที่ไม่ตายเธอเข้าถึงแล้วคนที่ยังเกิดแล้วก็ต้องตายอยู่ mm. ก็เพราะว่ายังหลงไหลไฝ่ฝันในขันห้าว่าเป็นเราเป็นพ่อเราถ้าเราบล่อยขันห้าได้เมื่อไรขนาดนั้นเชื่อกิตที่จะต้องตายไม่มีแล้ว องสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธติการถืว่ามกขลานะเมื่อกิตใดที่แย่พึงมีในพระพุทธศาสนากิตนั้นเทอเข้าถึงแล้วแล้วก็เทอก็จบกิจแล้วนี่หมายความว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงถัอว่าพระมหาโมกขลานะเป็นพระอรหันต์แล้วในการนั้น ที่ทรงตัดประตอบไปว่าจิตอื่นในศาสนานี้ไม่มีต่อไปจบกันเพียงเท่านี้เมื่องค์สำเร็จพระจิเนลสีทรงตัดอย่างนั้นพระโมคัลลาก็เห็นด้วยเพราะเวลานั้นอารมณ์ใจเขาท่านเบาการที่จิตเข้าถึงอาณาตพลนและบรรดาตัปพุตตสานิฆชนและพระโยคาวาจรทางหลาย คนนั้นไม่อารมณ์เบาคําว่าอารมณ์หนักเกาะนั่นเกาะนี่ห่วงนั่นห่วงนี่แม้แต่ชีวิตสินสีย่อมไม่มีสําหรับท่านพระอรหันต์แล้วขอบรรดาล ท, ท่านพระบริษัศทุกท่านและพิสุทสมณเณทั้งหลายฟังแล้วก็จําจําแล้วก็หมั่นคิดจิตของท่านจะตัดลงไปทีละน้อยละน้อยอย่าเพิ่งบรรนามตัวของเราเองว่ามันไม่สามารถจะทําได้ จงคิดไว้เสมอว่าท่านทห่งหลายที่เป็นพระอริยเจ้ า, าได้ท่านก็มีอาการสามสิบสองเหมือนเราพูดได้เดินได้เหมือนเราแต่ถ้าว่าท่านแห่งหลายเหล่านั้นมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความคิดที่จะตัดที่ละอยู่ตลอดเวลาในที่สุดอารมณ์จิตก็ชินชินแล้วก็ปรากฏว่าเตะจิตก็ตัดกิเลสเป็สมุเทเฉติประหารได้สําหรับเวลานี้ก็หมดเวลาเส็ยแล้ว ในการพูดเท่านี้หวังว่าท่านาหลายๆคงเข้าใจเพราะว่าเราฟังกันมาเ ป, ป็นปกิต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันจะอยู่ในอิริยาบทใดคือในอิริยาบททั้งสี่จะนั่งก็ได้จะยืงก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ไดแล้วใครควรพิจารณาภาวนาไปในพระกรรมฐานตามอธัธยาสัยของท่านจึงกว่าจะได้เห็นเวลาอันสมควร ท่านี้่าสมควรมาอะไราก็เลือกได้ตามอัธยาสัยการแนะนำแบบนี้ไม่จำกัดเวลาที่ว่าเป็นความดีเอาแต่สำหรับวันนี้ก็ข อ, อยื่ติไว้แต่เพียงเท่านี้น